มันจะมีเสียงอ่ยอยๆเสียงเหมือนไม่ได้กินข้าวลุงไทยยังไม่ได้กินข้าวแต่เสียง ม, มีแรงวันนี้ช่วงนี้เขานาหนาวอากาศเริ่มเปลียนเนี่ยควรระวังสุขภาพ เป็นรอยต่อทำไมอากาศเปลี่ยนแปลงทำไมร่างกายถาดขันปรับตัวไม่ทันเกิดความไม่สบายมีเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> จริงๆ้วมันก็เป็นธรรมชาติธรรมรรมชาติมันซ้อนเรา แต่เราเราในที่นีหมายถึงมนุษย์ไม่รู้ว่าวันสอนอย่างนี้ทรรมาท่านบอกว่าสิ <c oughs> ่งเหล่าที่เราเห็นกันทุกคนแต่ว่าเห็นโดยตาเนื้อตาหนังรรมดาไม่เนโดยตาไหนที่เรื่อปัญญ า, าเราเลยไม่ให้ค่อนสำคัญ ควาสมสำคัญกับสิ่งตอนนี้น้อยอะไรคว า, าสมสำคัญเราจะเห็นกวาเปลี่ยนแปลงในความแตกต่างธรรมะมาเกิดขึ้นตรงนี้อนชีวิตของมรุษนั้นมีสีเรื่องที่ต้องศึกษาทำคการเข้าใจให้มันตรองกันนังนคือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย เรื่องสีเรื่องนี่เครื่องวันกันผู้ทชอพูดมาเป็นสองพันกว่าปงมาแล้วก่อนที่พระ อ, องค์จอบกบวชผู้สาษงง่ายๆมาสาเราพระ อ, องค์ก็เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่เข้าใจเพียงถามเสนาอำมัตว่าทำไมเพราะอะไรแต่พระ อ, องค์พระมีปัญญา ก็เห็นการเกิดการเกคนเจ็บคนตายแต่ในนั้นก็บอกเป็นสมณะยังปฏวัตเทวทูตซึ่งพวกเราก็เห็นกันทุกคนเห็นกันทุกวันแต่ประเด็นก็คือเห็นแล้วไม่เกิดปัญญาเห็นได้แต่เฉยๆมันเรเห็นสปรพสิ่งทั้งหมด สิป h a r ตั้าางตาแต่ว่เห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของเกิดแเจ็บตายณเวลานี้ทุกคนใช้เสร็จแล้วสามอย่างคือหนึ่งเกิดใช้เสร็จไปแล้วหมดไปแล้วนะชีวิตจริงไปใช้นี้ยไม่ได้ แต่อันนี้ก็ใช้เจ็บก็มีประจำอยู่แล้วทุกคนต้องมีเจ็บครได้ปล่อยเป็นประจําตลอดใครจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นประจําไม่ประจํามเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกคนเป็นหมดทุกคนมีหมดทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่มีแไปบอกสุขภาพดีไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่ว่าจะเป็นมากหรือเป็นน้อยก็ได้ไม่มีใครที่ไม่เป็นเลย แต่ใครบอกไม่เป็นเลยนะคือประมาทมีความประมาทเกิดขึ้นมือประมาทก็ชัดเจนอยู่แล้ ว, วมันไม่ระวังเพราะนั้นสามอย่างให้เราใช้เสร็จหมดแล้วเหลือสิทธิ์สุดท้ายที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้คือตายกลับกลายเป็นว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นท่าสะเปร่งกลัวไม่อยากเจอ ไม่อยากเผชิญหน้าบางวันรู้ตัวว่าจะตายกะทวนทุรายเป็นทุกข์รอ้องหฮมร้องไห้แทนที่จะทำใจแทนที่จะวางอารมณ์มองอบเป็นกลางมองไปเรื่องปกติไปเรื่องธรรมดาแล้วเร่งเรียบแสวงหาทำควอบเพียนทำคนสนทานอันมากขึ้น ให้มีกำลิศกาไรหาที่พึ่งกับตนเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก็น้อยคนนักที่จะรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายหรือจะตายวันตายพรุ่งนี้น้อยดางนั้นตองถือว่าโชคดีที่จะรู้ว่าอีสานเดือนหกเดือนปีสองปีคือตายคนนั้นถือต้องโชคดีมีโชคร้ายนั้นพวกเราทั้งหลายก็จะประมาทไนะม่รู้ว่า เรื่องหล่านี้เป็นเรื่องปกตินีคือเกิดเกจ็บตายท่านยำ้ำก็หมายถืีว่าอะไรเกิดอะไรเกยอะไรเจ็บอะไรตายส่วนที่มันเกิดเกเจ็บตายมันคือกายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงคุณพระองค์ทงคุทรงคิดว่าทำยังไงถึงจะออกแก่สิ่งเหล่านี้ได้ คือจะหลดจาวงจรสิ่งเหลานี้ได้ก็กือว่าค้นหาวิธีตำรับันตรกรรมร่างกายสารพัดจนสุดท้ายจำร่รู้ว่าโอจนอดข้าวอดปลาอดน้ำถึงอดถ้าถึงตายมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยพอกายก็คือกายใจก็คือใจมันคนละส่วนกันเร่งหมรณทั้งหลายแยกไม่ออกเรื่องกายเรื่องใจ มันแยกไม่ออกว่าอะไรคือกายอะไรคือใจมันสำคัญยังไงจะต้องวางยังไงจะต้องปฏิบัติตัวกับกายกับใจอย่างไรมันแยกไม่ออกลืมมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันอย่างนี้มาตลอดชีวิตของพวกเร า, าคิดอย่างนี้เราไม่ได้แยกออกว่าอะไรกายอะไรใจเพราะนั้นเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาไม่เคยอได้ยอกลับปนกันหมด ทุกมากระ บ, บอกวตทุกสุงมากระบอกพอใจไปรู้ว่าสุขกายหรือว่าสุขใจสิ่งเหล่านี้เป็นของละเอียดอ่อนไม่ใช่ของธรรมดาไม่ใช่ใครๆก็คิดได้ทําได้พูดได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจะมีจะเป็นก็เกิดจากการภาวนาเท่านั้นเพราะนั้นการภาวนาท่างนี้ให้ความหมายว่าทําให้มีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นทําให้มีก็แปลว่าสิ่งที่มันไม่มี ให้มันให้มันมีขึ้นสิ่งที่มันไม่เคยเป็นก็ให้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นในใจดังแบบนั้นคนที่ภาวนามีคำนิยามกัยวการประว่าใครที่เพวนานคนนั้นเป็นผู้เจริญคือใจเจริญไม่ใช่กายเจริญส่วนร่างกายเจริญนั้นมันตรงกันข้ามกับความหมายในทางธรรมเราเห็นมาภาปร่างกายที่มันเจริญ จริงๆแล้วมันไม่ได้เจริญมันเสื่อมเราพูดอยู่เสมอว่าวไวเจริญพันธุ์คือเติบโตนั่นแหละเราเห็นความเติบโตตั้งแต่เด็กนมจนแกเราบอกว่าเจริญแร่ถามว่าสุดท้ายบอกว่าแกนั่นมันเจริญขึ้นตรงไหนไม่ได้เจริญลงไม่ได้แกลงไม่แกลงแกลงแกลงอันนี้ร่างกาย พูดง่ายไม่ได้เสื่อมอยู่นานยิ่งเสื่อมทุกอย่างตาก็เสื่อมหูกก็เสื่อมตาก็เสื่อมมันเสื่อมหมดทุกอย่างในร่างกายยิ่งใช้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสื่อมมากเว่านั้นมันช่ำรุดแล้วก็หาอะไรแทนไม่ได้ไม่มีซ่อมไม่ได้ในนิดในหน่อยแกไขปัญหาไปได้แต่ให้มีเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ได้ในร่างกายแต่ใจ หรือความคิดของเราเปลี่ยนได้แต่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเราเมื่อเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของเราก็แปลว่าความคิดคําพูดขขการกระทําก็เดิมๆิมเหมือนเดิมเดิมเหมือนตรงไหนทั้งหลายร่างกายเจริญโตตัวใดเพราะอาหารเรามาดูอาหารข้าลอาหารที่เรากินทุกวันทุกวันมีอะไรที่มันแปลกแปลกใหม่ๆที่มันไม่ใช่ของเก่า มีอะไรใหม่ไหมอาหารกินบริโภคเข้าไปทำให้ร่างกายของเราอยู่ได้ดเดาเจริญเติบโตไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่อ่อนนี่คืออาหารและอาหารมันก็คือเดิมๆแกงนั่นนี่นู่นแล้วแต่จะเรียกมันก็คือเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเป็นเป็นกายเป็นโล สารพัด เ, เป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่ๆเลยแต่เราก็สรรหาไปเพื่ออะไรเพื่อความรอร่อยเพื่อาถูกปากจริงๆแล้วมันรู้วาถูกใจนั่นเองแต่เราพูดมาทั้งหมดผิดหมดรานั้นมันถูกปากจริงๆมันถูกปากทุกคนไม่มีใครได้กินแล้วมันไม่ถูกปากเพราะมันเข้ามาทางปาก แต่ที่มันไม่ถูกใจคือใจก็คือกิเลสนั่นเองแต่แเราเลี่ยงที่จะไม่พูดจากนั้นเราจะไม่ก็คือว่าไม่ถูกกิเลสเมื่อเราก็เลยยิ่งเลี่ยงมากเท่าไหร่เราก็ค่อยๆ ร, รู้จักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้เอ่ยถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดถึงบ่อยๆในสิ่งเหล่านี้นจิตใจเราก็ห่างเหมือนกันสุดท้ายกลายเป็นสตรูอีกไม่ได้มิ ไว้นั้นเราคิดถ้าเราคิดอย่างนี้ก็คือเป็นบุคคลที่คิดผิดภาษาพระทั้งเรียว่ามิจฉาทิฏฐิคือจิตคิดเอาไว้ผิดตั้งเอาไว้ผิดเมื่อจิตมันตั้งเอาไว้ผิดมันก็จะอยู่อย่างนี้แบบเดิมธรรมดาๆธรรมดาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตเราก็เดิมๆจากที่เราเห็นกันอยู่ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้น จองกันข้ามก็เหมือนกับร่างกายถ้าเราไม่รีบไม่เร่งสุดท้ายมันก็อ่อนลงอ่อนทุกอย่างหูตาจะบวกเล่นกายคือร่างกายมันก็จะอ่อนกําื่งกำลังทลายมันจะมีอยู่มันก็จะองสุดท้ายก็หมดเรื่องหมดแรงสุดท้ายพระยาบรจุราก็พรากจากกันไปอันนี้คือวาระสุดท้ายนั่นแปลว่าใช้เสร็จครบหมดคือตาย เราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้ยังเมื่อยั ง, ออยงนั่นก็แปลว่าเรายัางมีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีพัฒนาตนเองมองทุกอย่างทุกอย่างในทนี่นี้หมายถึงเป็นธรรมชาติรูปร่างกายเป็นรูปธรรมก็ดีนมามธรรมก็ดีให้มันเป็นธรรมะคือมองแล้วมันเป็นธรรมธรรมะคือความเป็นกลางกลางคือไม่มีใครเป็นเจ้าของเด่ตนต้นไม้ภูเขาเราก็สุขทุกข์ อะไรทุกอย่างสีเสื้ลรถลาสารพัดที่มีอยู่จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของปีแต่จิตมันไปยึดเอาไว้ว่าเป็นเจ้าของเจ้าของแน่คือของเราของเขาสองคำนี้มันมีของเรามีของเขาสุดท้ายจิตมันก็เกิดยึดติดเกาะ อ, อยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งท่านนี้ก่อนแนะนำนล้นไม่ใช่เลย ลูกของเรามีของเรารถของเราบ้านของเราเงินของเราอะไรก็ของเราหมดซึ่งก่อนหน้านั้นถ้าเราพิจารณาย้อนหลังไปเองมันไม่ใช่เลยรถก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่รถใครก็มารู้เราไปซื้อมาคือเอาเงินนั้นไปแลกมาขายไปของเราทันทีจิตมันจะยึดถือเป็นของตัวของตนทันทีอ่นแค่ของนอกๆเข็นไหม ส่วนรูปร่างกายที่เรามีอยู่เรายึดกันมานานจนไม่รู้ว่ายึดตอนะะนั้นมันจึงปล่อยวางยากจิตมันวางสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ที่มันวางไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยจะวางเลยไม่เคยคิดเลยคิดอยู่เสมอของเราของเราของเราของเร า, อ, เราอยู่ย่างตลอดเวลากลายเป็นทรัพย์กลายเป็นมรดกที่เราจะต้องยึดต้องถือต้องอาศัย ซึ่งมันไม่ใช่แล้ถ้าคิดอย่างนี้ถือว่าคิดผิดเราก็ตั้งใหม่จิตมันตั้งได้ไม่ตั้งยากโดยคิดผิดก็ตั้งผูใหม่ตั้งจิตใหม่ตั้งความคิดใหม่ว่าอันนี้เป็นขออาศัยชั่วคราวมันไม่ได้ของใครของคนใดคนหนึ่งแม้แต่รูปร่างกายของเราก็อาศัยชั่วคราวเดียวก็จากกันไปใช้เสร็จหมดแล้วก็หมดกันไป ส่วนที่มันไม่หมดคือใจคือจิตตัวนั้นต่างหากต้องระวังเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ระวังกายกายได้มาหนึ่งมันต้องไปแน่นอนคือแตกแตกดับไปแน่นอนแต่จิตมันไม่ได้ตายมันไม่ได้แตกดับเหมือนกับกายแล้วมันไปไหนแล้วมันมาเองเมื่อไหร่จิตมันก็ปไปม า, มา อยู่อย่างนี้มั้นจิตมันจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏในโลกทั้งสาันนี้มันมีอะไรติดไม้ติดมือมันมีอะไรเป็นตุนเป็นดอนอยู่ในจิตถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีที่อยู่เหมือนคนเร่ร่อนจรจัดไม่มีบ้านไม่มีที่พักเหมือนคนอื่นเขาภาษาต่างชาติเรียกว่าสัมภเวสี คืเร่ร่นไปเรื่อยวิญญาณเร่ร่นไปเรื่อยใครทำบุญก็อโอทิ่ให้ก็กินดีอารมณนารับเอากาไดบุญได้กุศลเห็นไหมมันทรมานนะไม่ต้องอะไรมากๆคิดดูแค่โลกมนุษย์เรานะ่ะคนที่ไม่มีบ้านพักคนที่นอนไปเรื่อยก็เหมือนเป็นคนเหมือนกับเรามีหัวตาจมูกดึงกายใจแสนขาตาเหมือนวงเราแต่เหตุใด ไม่มีหลักมีแหล่งไม่มีบ้านจองห้องห อ, หอก็อะไรเนี่ยคือตัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่เพราะนั้นอยากประมาทในสิ่งเหล่านี้อขยันแสวงหาเพิ่มเติมให้มากขึ้นให้เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสวยสงว่าสามอย่างสามสิ่งสามประการนี้ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งสูงสุดที่พึ่งของใจนอกจากนี้ไม่มีแล้วส่วนที่พึ่งของกายของเร า, าเช่นบ้านช่องห้องหอห อ, อื่นๆ น, น, นั้นเป็นที่พึ่งของกายทำกับมินกับกายมันอยู่ไม่ได้ส่วนที่พึ่งของใ จ, จมันถาวรถ้าใครทำได้แล้วเรามีที่พึ่งเหล่านี้หรื อ, อยังถ้ายังก็ควรจะรีบเร่ง ทำให้มีให้น้ำมากขึ้นอย่างน้อยทุกวันจะต้องทําจะต้องต้องคิดคือต้องนึกถึงท่านแต่ถ้าจิตเราไม่นึกถึงท่านเลยมันลำบากแนละ้วเหมือนกับมนุษย์เรานะเราไม่ได้ทำดีต่อกันเลยแล้วใครจะมาช่วยเราเราไม่เคยได้ให้ความช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เพื่อนญาติมิตสายพอถึงเวลาแล้ะเขาก็ไม่ช่วยเราเพื่องปกตินามบัตานี่ก็เหมือนกันประพุตประธรรมบริยส่์ เราไม่ได้เคยนึกถึงท่านเลยในชีวิตประจําวันพอถึงเวลาบอกว่าช่วยหน่อยนะขอคุณพุทธประธรรมประสงค์ช่วยข้าพเจ้าหน่อยเถอะอันนี้ขอขอแบบพูดสั้งงงนง่ายๆขอแบบด้านๆตนนกต่ทางให้ปกติธรรมราแล้วไม่ได้นึกถึงกันเลยแล้วใคจะไปช่วยทนะ่านดังนั้นถ้าเรามีประพุทธประธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ต้องขอไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปบิณวอน ถ้าเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเรามีพระพุทิพระธรรมในใจก็เหมือนกับมีเงินมีทองมีสตางค์ในกระเป๋าก็ไม่ต้องไปขอใครในขณะที่กันกระเป๋าเราว่างเปล่าก็จะไปต้องไปขอหรืไม่ต้องหาสวยหารเพื่อให้มีสตางค์เพื่อให้มีเงินเป็นที่อาศัยใจเราก็เหมือนกันถ้ามีพระพุทธพระธรรมมาส่งเกิดขึ้นมั่นคงในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปขออะไรกับใครเลยพุทธเจ้าพระธรรมพระอรยสงฆ์ท่านจะช่วยเราเอง นั้นจึงบอกสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่ของเราคอยแนะนําชี้นาสั่งสอนทําให้จิตใจของเราพัฒนาดีขึ้นจเจริญขึ้นเหมือนร่างกายแต่มันตรงกันข้ามร่างกายนั้นก็บอกจเจริญขึ้นแต่จริงแล้วมันเสื่อมลงแต่จิตของเราถ้ามันจเจริญแล้วไม่มีเสื่อมมีทีจีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเพิ่มมากขึ้นเมื่อใดก็แปลว่ามานขัดจัดสิ่งที่มันเรามองไม่เห็น เรามองข้ามแต่มันก็แสงสว่างเกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อคืนมันมืดตอนนี้นสว่างก็คือการจัดความมืดจริงๆในความมืดมันก็ ม, มีอยู่เป็ดเพียงแปลว่ามันสว่างมันกระจัดชั่วคราวเท่านั้นเองอะจิตใจ้งเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสามาธิาจะขจัดความมื ด, ค ว, มมดความบอดที่มองไม่เห็นคือปัญญาเกิดขึ้นในใจแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเห็น โดยสภาวะตามความเป็นจริงทั้งหมดทั้งปวงนี้รู้จักกายรู้จักใจคนที่จะรู้จักกายรู้จักใจได้นั้นบุคคลคนนั้นต้องพิจารณกายให้หนักหนักพิจารณาใจให้มันั้นหนักเราจะจะรู้จักกายรู้จักใจทีนี้เมื่อรู้จักแล้วมันก็จะแยกออกจิตมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันตั้งอยู่ในสิ่งที่มันดับไป อยู่ที่ความเร็วของสติปัญญาแต่ละคนถ้าสติปัญญามากรู้มากมันก็วางได้เร็วคือวางอารมณ์เหล่านั้นได้เร็วแต่ถ้าวางไม่ได้นั่นคือความทุกข์ที่ตามมาแล้วก็สุขที่ตามมาแต่ระหว่างเหมือนกับชีวิตประจําวันของพวกเราพวาเราสังเกตเอารมณ์ไหนที่เราวางไม่ได้ ก็เพราะอะไรเพราะเราไปคิดอยู่นั่นตลอดเช่นเรื่องความทุกข์เรื่องอะไรเราก็จะอยู่กับความทุกข์กันนั้นตลอดเพราะเราวางไม่ได้ก็คือแบกเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเราวางคือปล่อยตัวนั้นให้เป็นธรรมชาติของเขาเราก็จะอยุใจสบายสายอันนั้นคือผลของการปฏิบัติเไมะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อทําให้จิตของเรานั้นวางคือกลางนั่นเองจิตเราเป็นกลางทุกวันมันเป็นกลาง มันเป็นอคติมันมีอคติในใจมันยึดมันตือในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นจนมากเกินไปใจมันมีอิสระมันเป็นกลางความสุขความทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้ไม่นั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็คือทําใจให้เราเป็นกลางปล่อยแล้วก็วางบ้างเราจะรู้ว่าเออมันสบายหรือสบายคือเราวางวางอารมณไดอ้อันนี้คือสําคัญที่สุดแต่ถ้าเราวางไม่ได้อันตรายจนนึกถึงความตายนะโอ ความตายจะมาถึงแล้วเนี่ยจิตมันก็อยู่ความตายอย่างเดียวมันเศร้าหมองนะมุสเศร้าหมองมันจะไปไหนที่ไปขางมันมันก็มีที่ไปเนี่ยถ้าจิตมันสบายมันจิตมันใสจิตมันเบานึกถึงบุญกุศลความดีจิตมันก็ไปในทางที่ดีต้องระวังความคิดแม้การภาวนาคือต้องการจำกัดวงความคิดเช่นเราเคยคิดสารพัดคิด แต่เวลาภาวนาที่มันต้องจํากัดเช่นให้นึกถึงกรรมปฎิกรรมนั่นคือจํากัดความคิดให้มันฟุ้งซ่านอยู่กับอารมณ์อะไรหนึ่งจิตถ้ามันสงบแล้วมันจะมีอารมณ์เป็นอันเดียวเรียกว่าเอกััตตารมณ์เป็นอารมณ์ที่เหมาะในการยกอะไรขึ้นมาพิจารณามันก็จะเกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งอิจจริงตามสภาวะความเป็นจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่หน้ากระดานั้นนั่นคืออะไรสอ์ หรือว่าผลเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราขอให้พวกเราทั้งหลายได้ไปถึงจุดนั้นโดยเร็วทุกคนทุกท่าน น, นั่นคือธรรมะระเล็กน้อยสําหรับฝ่าพวกเราสำหรับเช้า ว, วันนี้ที่เป็นวันมะวันนี้15บ่ําเป็นเส้นใจในวันนี้จะนิพาปก็สงฆ์ก็จะได้อมตนานก็ปล a l o n อรราหารที่เราน้อมนํามาในวันนี้เพื่อเป็นอาหารกายนี่คืออาหารกายส่วนอาหารใจเราก็รับไปแล้วก็ให้พวกเราให้อาหารอย่างนี้ทุกวัน คือให้อาหารกายด้วยให้อาหารใจได้ทุกวันวเราก็เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันคือกายก็จเจริญใจก็จเจริญอย่างนี้จึงเชื่อว่าเป็นผู้จเจริญทุกวันข อ, ขอเราจเจริญเจริญทุกวันทุกคน